สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบา น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่หกสิบเอ็ดเรื่องคนชอบทำกับคนชั่วร้ายพี่น้องครับในเช้าวันนี้พระเจ้าของพระเจ้านั้นอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่สิบครับพระธรรมสุภาษิตบทที่สิบข้อที่สิบสองจนถึงข้อที่สิบหกครับโปรดฟังพจนะ ของพระเจ้าความเกลียดชังเราให้เกิดความวิวาดแต่ความรักครอบงำบรรดาการเทยยศเสียที่ลิ้มฝีปากของผู้ที่มีความเข้าใจจะพบปัญญาแต่ไม่เลียวก็เหมาะสำหรับหลังของผู้ที่ขาดสามัญสำนึกปราดก็สมสัมสมความรู้ไว้แต่ปากของคนโง่ ก็นำความย่อยยับมาใกล้ทรัพย์สริงคารของคนมั่งคั่งคือเมืองเข้มแข็งของเขาแต่ความยากจนของคนจนคือความพินาศของเขาผลงานของคนชอบทำน ำ, นำไปถึงชีวิตแต่ของคนชั่วร้ายนำไปถึงบาปพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของคนที่ชอบธรรม คนที่ชอบทำกับคนที่ชั่วร้ายปลายทางเขานั้นแตกต่างกันครับคนชอบทำปลายทางเขาก็คือชีวิตดิรันสันติสุขแต่คนชั่วร้ายปลายทางของเขาคือความตายและความพินาศชุมภาษิตตอนนี้เริ่มต้นในข้อที่สิบสองเริ่มต้นด้วยคำว่าความเกลียดชังความเกลียดชังหรือฮทเตสเฮทเตสคือ เป็นอารมณ์ขุนมัวในใจซึ่งนำไปถึงความโกรธการทะเลาะวิวาทการขัดใจกันการโต้แยง้งโต้เถียงกันและนำไปถึงการทำร้ายร่างกายและฆ่าเอาชีวิตได้ในที่สุดถามว่าทำไมครับทำไมความเกลียดชังนั้นทาให้คนไม่มีความสุขเพราะว่าคนที่เกลียดเกลียดชังกันนั้นไม่สามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ ไม่สามารถมีเรียกว่าทํางานหรือมีความสามารถที่จะอยู่ใกล้กันกับคนที่เราไม่ชอบได้หรือศัตรูของเราได้และไม่สามารถทํางานด้วยความสุขด้วยกันนะครับนี้คือคนที่เกลียดชังกันพระกัมพีบอกว่าในขณะที่คนเกลียดชังกันนั้นพวกเขาไม่สามารถที่จะอยู่กันอย่างสันติสุขได้แต่ ในขณะที่ความรักของคนที่รักกันของคนที่เป็นลูกของพระเจ้าก็จะก่อเกิดสันติสุขครับถามว่าทําไมคําตอบก็คือว่าเพราะว่าความรักนั้นครอบงําบรรดาการทรยศเสียความรักนั้นมองข้ามการทรยศมองข้ามความผิดมองข้ามความบาปมองข้ามความผิดพลาดทั้งหลายทั้งปวงเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ที่มีความรักในลูกไม่ว่าลูก จะทำผิดทำแย่ขนาดไหนทำให้พ่อแม่เสียใจขายหน้าขนาดไหนความรักของคุณพ่อกัณแม่นั้นก็ครอบงำบรรดาความผิดบาปทั้งหลายเสียเพื่น้องครับเราจะมาดูกันว่าคำว่าครอบงำแปลว่าอะไรภาษาฮีบรูนั้นใช้คำว่าคาซ่าคาซ่หมายถึงการท่วมจนมิดเหมือนกับน้ำเนี่ยท่วมนะ ทนท่วมล้นจนมิดคำว่าทรายศหมายถึงความผิดครับเพราะฉะนั้นความรักนั้นจะครอบงําจะท่วมทน้นการทรยศและความผิดบาปทุกอย่างพี่น้องครับความผิดบาปและความและการทรยศนั้นจะถูกมองข้ามไปด้วยความรักที่แท้จริงที่มีต่อกันไม่ช่างจดจําความผิดไม่ชื่นชมยินดี น, เ, น, นเมื่อมีการรพูดผิด แต่ให้กำลังใจชื่นชมดีกันเมื่อประพฤติดีประพฤติชอบเพราะฉะนั้นเมื่อเรารักกันเรารักศัตรูของเราเรารักคนที่ไม่เข้เขาใจเราเรารักคนที่ให้ให้ลายป้ายสีเราเพราะอะไรครับเพราะเรารักครับและความรักนั้นทําให้เรามองข้ามนะครับท่วมทน้นท่วมบรรดาบาปผิดและการทรยศของเราของคนอื่น และจะไม่จดจำความผิดท่านอีกต่อไปความรักของคนชอบธรรมนะครับเกิดขึ้นโดยการให้อภัยครับท่วมท้นความผิดการโทรยศควา ม, มวิวาดหมายถึงการให้อภัยริงผีป่าของคนชอบธรรมนั้นจะพบปัญญาและความเข้าใจแต่คนที่ขาดสามันสำนึกก็สมควรจะถูกลงโทษ ด, ด้วยไม่เลียว คพิ่มริข้อต่อไปก่าว่าคนชอบทำนั้นเก็บสะสมความรู้ไว้ใช้ในโอกาสอันควรใช้โดยไม่ต้องพูดคุยโอ้อวดถึงความรู้ของตนครับเพราะฉะนั้นหลายครั้งทีเดียวที่คนโอ้อวดแสดงว่าเขากำลังบอกว่าเขาโง่กว่าคนที่กำลังฟังเขาในขณะที่สิ่งที่คนโง่กล่าวนั้นก็นำความยุ่งยากมาให้ครับในที่สุด ก็จะนำไปถึงความพินาศและความตายพูดง่ายว่าปลาหมอตายเพราะปากปลาหมอโง่าตายเพราะปากครับเพราะว่าพวกเขาพูดสิ่งที่ไม่ถูกต้องแบบโง่โงพูดในสิ่งที่ไม่รู้แบบโง่โงและจากความโง่โงนี้เองทำให้ตัวเงั้นตกอยู่ในสถานการณ์แห่งความยุ่งยากลำบากเองครับ เพราะฝีมือของตัวเองเรามาดูกันในข้อสองข้อสุดท้ายนะครับสิบห้าสิบหกผลงานของคนชอบทำนำไปถึงชีวิตแต่ของคนชั่วร้ายนำไปถึงบาปทรัพย์สินคารนของคงคนมั่งคั่งคือเมืองเข้มแข็งของเขาแต่ความยากจนของคนจนคือความพินาศของเขาในสองข้อนี้นะครับผมอ่านข้อสิบหกก่อนแล้ว กลับมาอ่านข้อสิบห้าได้กล่าวถึงความมั่งมั่งคั่งของคนชอบธรมความมั่งคั่งของคนชอบท ม, มนบทเนื่องจากเขามีสติปัญญาครับเขาจึงมั่งคัง่งเนื่องจากเขามีพระเจ้าครับก็ยังมีผู้ช่วยเขามั่งคัง่งคนที่มั่งคัง่งชอบทรมั่งคัง่งจะสามารถใช้ทรัพย์ของเขาเสริมความมั่นคงเข้มแข็งของชีวิตของตน คนที่เป็นคนของพระเจ้าที่มีความมั่งคัง่งถ้าเขาใช้ความมั่งคั่งของเขาด้วยสติปัญญาพระเจ้าก็จะดูแลเขาดูแลพันธกิจของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันครับเหมือนคนที่ร่ำรวยมั่งคั่งมีสตางนะครับก็จะต้องใช้ทรัพย์สินทางของท่านเสริมความมั่นคงเข้มแข็งของชีวิตของตนทั้ง ในโลกนี้และในโลกหน้าก็คือสวรรค์อย่าสําสมทรัพย์สมบัติของตนในโลกนี้แต่จงสัมสมทรัพย์สมบัติที่ถาวรในสวรรค์ครับในขณะที่ความยากจนของคนจนในที่นี้หมายถึงคนเกียดค้านครับหมายถึงคนที่อ่อนแอหมายถึงคนที่อ่อนแรงไร้ที่พึ่งขัดสนจนตรอกที่สําคัญก็คือว่าเขาไม่แสวงหาปัญญาคนเหล่านี้ครับไม่เปิดใจรับปัญญาหนทางเขาคือความพินาศครับ ผนทางของคนที่ไม่ยอมเปิดใจรับปัญญานั้นคือความพินาศเขาจะไม่มีวันพบกับความรุ่งเรืองนะครับไม่มีวันพบกับความสำเร็จสำหรับคนที่เกียดคร้านสำหรับคนที่อ่อนแอไร้ที่พึ่งไม่มีวันพบกับความรุ่งเรืองครับเขาต้องกลับใจเสียใหม่ครับเปิดใจต้อนรับปัญญานะครับลุกขึ้นมาคนของพระเจ้า อย่าอ่อนแออย่าอ่อนแรงอย่าเป็นคนเหมือนกับไร้ที่พึ่งทั้งทๆที่มีพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้เป็นเจ้าของผู้สร้างโลกฟ้าสวรรค์เราไม่ใช่คนไร้ที่พึ่งครับเราไม่เคยขัดสนจนตรอกครับความมุ่งหมายปลายทางหรือผลของคนชอบธรรมก็คือชีวิตนิพพานชีวิตที่ครบถ้วนแต่ทางกับกันครับคนชั่วร้ายทางของคนชั่วร้ายก็นําเขาไปถึงความบาปซึ่งค่าจ้างของความบาปกันคือความตาย พี่น้องครับผมอยากจะสรุปในเช้าวันนี้นะครับด้วยพระธรรมหนึ่งเ ป, ปรโตบทที่สี่ข้อแครับหนึ่งเ ป, ปรโตบทที่สี่ข้อแบอกว่าเพราะความรักนั้นลบล้างความผิดบาปมากมายได้อ่านอีกครั้งครับเพราะความรักนั้นปกคลุมลบล้างความผิดบาปเป็นนั้นมากได้ forgiveness ก็คือการให้อภยัย is the by product of loveby product นั้นก็มีความหมายว่าเป็นผลิตผลนะครับ เป็นผลิตผลอย่างหนึ่งครับของความรักการยกโทษนั้นเป็นบ y p โ o d u c t เป็นผลทัางเคียงเป็นผลที่ได้นะครับอันเกิดจากความรักเพราะฉะนั้นเราจะต้องหยุดยั้งความเกรียดชังทั้งปวงก็โดยการยกโทษครับและกลับไปรักพวกขมใหมอีกครั้งหนึ่งความรักที่แท้จริงก็คือความพยายามที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคนอื่นในขณะที่ความรักที่แท้จริงต้องให้อภัย นะครับสำหรับคนโง่แล้วการแสดงความรักจริงๆต่อเขาก็คือต้องกําจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาไม่พึงประสงค์โดยการลงโทษครับด้วยไม้เหลี่ยวในสมัยของพระกัมพีใช้ไม้เหลี่ยวเป็นการลงโทษซึ่งไม่เป็นการล่าสมัยที่จะใช้ไม้เหลี่ยงกับเด็กดื้อในสมัยนี้หรืออาจจะใช้การลงโทษแบบสมัยใหม่ก็ได้นะครับที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กได้ขณะที่เขายังอยู่ในวัย วัยเยาวได้โดยไม่ใช้ไม้เรียวจะได้หรือเปล่าพี่น้องครับต้องไปดูกันเองนะครับแต่ผมเชื่อในพระเจ้าของพระเจ้าว่าไม้เรียวนั้นสามารถที่จะปรับพฤติกรรมของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวขอพระเจ้าช่วยเรานะครับและขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านอาเมน